รายการธรรมะรับบุญกลับมาพบกับท่านบุฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอีกวาระหนึ่งทุกวันน่ะล่ะเวลาในการเปิดสถานีพบกันกับข้าพเจ้าพร ะ, พระมหาภัยบณ์อภิปุณโญมาจากวัดบาดอนไฮโศกอำเภอหนองอานจังหวัดอุดรธานีในตลอดทุกวันของทุกสัปดาห์เรามาพบกันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ก็เพื่อที่จะ นำธรรมะที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้บอกสอนเอาไว้เป็นเรื่องราวที่จะทําให้เราคลายเจ้าเหตุของความทุกข์ได้เป็นสิ่งที่จะทําให้เมื่อเราปฏิบัติแล้วนํามาใคร์ครวนพิจรารณาทรงไว้ในใจแล้วเนี่ยจะมีการทําให้จิตใจนั้นสูงขึ้นสูงขึ้นเพราะว่าอากุศลธรรมที่มันลดลงไปสูงขึ้นเพราะว่ากุศลธรรมแนะที่มันเพิ่มขึ้นมาเวลาที่อกุศลธรรมลดลงไป กุศลธรรมเพิ่มขึ้นมาในจิตใจของเราไปถึงระดับหนึ่งตั้งหวังไปถึงจุด1ไปถึงระดับหนึ่งมันก็จะมีความสบายใจเย็นใจลึกๆอยู่ในใจซึ่งหลายๆท่านก็จะมีประสบการณ์นี่แหละอาจจะไม่ต้องไปถึงขนาดว่าไปวัดนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเอาแค่ว่าเราผ่านเรื่องราวในชีวิตของเราบางอย่างและเราผ่านมาด้วยความเพี่ยนความพยายามผ่านมาด้วยการตั้งใจในการที่จะทําความดี ไม่ย่อท้อต่อความยากลําบากแต่พราะผ่านมาแล้วแม่รู้สึกว่ามันสบายใจรู้สึกว่ามันเย็นใจอยู่ข้างในแต่ความสบายใจความเย็นใจที่เกิดขึ้นนั้นก็เพราะว่ากุศลธรรมที่เราตั้งมั่นไว้ดีมีมากขึ้นในขณะเดียวกันไอ้เรื่องไม่ดีที่คิดว่าอาจจะน้อมจิตไปในการทําอย่างนั้นได้เราก็ไม่ทําอย่างนั้นพอไม่ทําอย่างนั้นไอ้สิ่งที่เป็นอกุศลธรรมมันก็หลอกออกละออกพอมันออกไปแล้วอกุศลธรรมออกไปมากขึ้น กุศลธรรมเกิดขึ้นมากขึ้นจิตใจ้องเราก็เย็นใจอยู่ตงไหนมันเป็นความสุขอยู่ตรงไหนบางทีมันหาเหตุผลไม่ได้บางทีมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องภายนอกเลยแต่มกงก็บุยว่าเป็นความสุขอย่างเช่นิดที่เรียกว่าเป็นในภายในสุขช่นิดที่เรียกว่าไม่มีเหตุผลแต่แต่เหตุผลของมันมีอยู่ในเหตุผลของมันก็คือความที่กุศลธรรมมันเพิ่มขึ้นกุศลธรรมมันลดลงไปนั่นก็เป็นเพราะว่าธรรมะที่เราเสพนั่นเอง ทนี้ในการเสพธรรมะในการที่เราจะมาใครควรพิจารณานี่ธรรมะที่จะต้องละ ก, ก็มีธรรมะที่ควรจะต้องทําให้เพิ่มขึ้นมากก็มีเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยจึงต้องการมาทําความเข้าใจกับท่านผู้ฟังในเรื่องของเอธรรมะแต่ละประเภทเราควรจะใช้อย่างไรเพื่ออะไรแต่เพราะว่ากิเลสที่เราต้องการละ ม, มันออกลอกมันออกที่ว่าเป็นอกุศลธรรมเนี่ยนะเราจะละ ม, มันออกลอกมันออกได้ด้วยก็มี6กกระบวนการด้วยกัน แต่ในช่วงของปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษที่พระพุทเจ้าจะนําเรื่องราวหมวดธรรมะต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้สอนไว้เป็นหมวดเป็นข้อนำมารูปรวมอธิบายให้ท่านฟังๆเพื่อที่จะทําความเข้าใจได้แล้วแล้วก็จะทําให้เกิดผลเป็นการปฏิบัติแต่เป็นการปฏิบัติในใจที่จะทําให้กุศลธรรมนั้นงอกเงยเพิ่มมากขึ้น ก, กุศลธรรมนั้นหลุดลอกออกไปได้มากขึ้นก็จะเป็นผลให้ จิตใจเรานั้นดีขึ้นสว่างขึ้นงดงามขึ้นพอจิตใจเราดีขึ้นสว่างขึ้นและในครอบครัวในบ้านในบริษัทที่ที่เราอยู่นั้นแพอจิตใจเราดีขึ้นสว่างขึ้นแล้วคนรอบข้างก็ได้รับผลดีต่างๆเหล่านั้นด้วยเราเปิดไฟดวงหนึ่งแต่ที่เราถืออยู่นจุดเทียนขึ้นมาเล่มหนึ่งรอบๆข้างก็สว่างขึ้นด้วยคนอื่นก็ได้รับประโยชน์จากแสงสว่างได้รับประโยชน์จากความดีที่เราทําให้มันงอกงามเพิ่มขึ้นในจิตของเรา เรื่องของการละกิเลสหวิธีนี้พระพุเจ้าได้เคยพูดไว้กับคุณเตือนใจเมื่อปีก่อนนู้ น, นรู้สึกว่าจะเกือบสองปีแล้วเดินจึงต้องการจะนําเรื่องนี้มาทบทวนในภาคของปริยัติที่ไม่เป็นงูพิดเป็นเรื่องราวที่บางคนก็ยังสับสนกันอยู่แพระพุทธเจ้าได้พูดถึงกิเลสในเครื่องเศร้าหมองจิตนี่ที่จะพึงละได้ด้วยกระบวนการหอย่างด้วยกันคือหนึ่งละได้ด้วยการสังวร2 อ, อด้วยการเสพ3าด้วยการอดกลั้น สด้วยการงดเว้น 5. ด้วยการบรรเทาหกด้วยการภาวนาทีนี้แต่ละอย่างแต่ละวิธีเนีย่ยเป็นยังไงเพราะว่าที่เห็นเห็นกันอยู่ในทุกวันนี้แต่ก็ยังมีการที่ใช้กันไม่ถูกประเภทแต่บางทีอดกลั้นนกิเลสที่จะละได้ด้วยการอดกลั้นก็มีใช่ไหมแต่ว่าอดไปอดมาเฮ่ทํำยังไงกลายเป็นเก็บกดไปพอเก็บกดปุ๊บระเบิดตู้มาหนักกว่าเดมิมอีกหรือกิเลสบางอย่างจะละได้ด้วยการเสพเสพอะไร เสพแบบไหนถึงจะสามารถละกิเลสได้ถ้าบอกว่าเสพไม่ถูกเสพไม่เป็นเสพผิดประเภทเอากิเลสก็กลับเป็นเพิ่มขึ้นมาหรือว่าบางทีกิเลสที่จะละได้ด้วยการสังวรแต่เรากลับไปใช้การอดทนมันก็จะผิดประเภทพอผิดประเภทใช้ผิดอย่างแต่ทําให้กิเลสแทนที่จะละออกได้ลอกออกได้แต่มันกลับ พ, อพ่อปูนเพิ่มขึ้นมากขึ้นแต่จึงต้องการจะทําความเข้าใจในแง่มุมต่างๆเหล่านี้ ในเรื่องแรกเท่ับว่ า, าในกิเลส ท, ที่จะเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตที่จะลัได้ด้วยการสังวรร้าเรียบเป็นอย่างไรในการสังวรตรงนี้พระพุทธเจ้าอธิบายไว้แต่ก็คือเรื่องการสัมรูมอินรีย์เห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจ ม, มูกรับรู้สัมผัสสิ่งใดๆหรือว่าคิดในเรื่องราวใดๆก็แล้วแต่แต่ถ้าคิดในเรื่องราวใดๆก็แล้วแต่เป็นในทางธรรมารมที่ผ่านมาทางใจรับรู้รสของอาหาร ที่ผ่านมาทางลิ้นเราพิจารณาแล้วเนี่ยเรารับรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้มาแล้วแต่จะต้องไม่ให้สิ่งที่เป็นอกุศลธรรมนั้เกิดขึ้นอกุศลธรรมในที่นี้คือทั้งความลุ่มหลงความเคลิบเคลิ้มในสิ่งที่น่า ย, ยินดีรวมทั้งความขยะกขย้งเกลียดชังในสิ่งที่ไม่น่าพอใจนั่นไม่จะเกิดในลักษณะไหนได้บ้างเช่นเสียงด่าแต่ถ้าเขาด่าเรามาัมมนจี๊ดแต่จี๊ดมากเลยในเสียงด่านี้ เราลุชชั่นในการที่จะสํารวมอินทรีย์ในวิธีการสรํ C, รรารวมอินทรีย์ที่พระพุทธเจ้าอธิบายในที่นี้นันก็แยกเป็น2 ส, ส่วนคือส่วนที่ถ้าเห็นแล้วแ ล, แล้วมันจะเกิดสิ่งที่เป็นอกุศชเช่นเสียงด่าเนี่ยแหมมันจะทําให้จิตใจเรามีโทสะเกิดขึ้นวิธีการพิจารณาในการสํารวมการระวังตัว น, นี้นั้นก็คือโดยแยกเป็นส่วนๆแยกเป็นส่วนๆในที่นี้เราก็แยกมันออกมันเป็นแค่คลื่นมาเป็นแค่ธาตุมา แเราจะไปพิจารณาโดยความเป็นคําพูดตรงนั้นถ้าพิจารณาเห็นเป็นคําพูด่มันก็จะจีดแต่ถ้าเราพิจารณาเห็นว่าเป็นแค่คลื่นเป็นแค่เสียงเสียงมากระทบเราก็หายไปเป็นแค่าธาตุแยกแยะออกไปอย่างนี้อัะนี้จะช่วยบรรเทากิเลส ท, ที่จะเกิดขึ้นได้หรือว่าเห็นรถยนต์คันหนึ่งแม้สวยงามมากในวิธีการพิจารณาแยากแยะมันออกทําให้เกิดการสํารวมระวังได้วิธีการพิจารณานั้นพระพุทธเจ้าให้ไว้อยู่2วิธี แต่นคือการเห็นโดยเป็นภาพรวมทั้งหมดแต่เช่นถ้าเบอกว่าเสียงมากระทบนะเรก็ทําความเข้าใจในเรื่องเสียงนี้เป็นคําพูดว่าอะไรยังไงอันนี้คือกระบวนการที่1 ห, หรือกระบวนการที่2คือการแยกออกเป็นส่วนๆแต่เช่นเราก็แยกแยะออกสิว่ามันเป็นโมเลกุลของอากาศที่มากระทบกันเป็นคลื่นมาแนะแยกแยะออกเป็นส่วนประกอบย่อยๆย่อยๆไปแต่พิจารณาอันไหนแล้วกุศลธรรมมันจะเกิดพิจารณาเป็นแบบไหนแล้วกิเลสมันจะเกิดก็อย่าไปพิจารณาแบบนั้น ให้ใบพิจารณาอีกแบบหนึ่ ง, งเช่นในกรณีตัวอย่างของเสียงที่เขาด่ามาเนี่ยถ้าเราทำความเข้าใจเป็นภาพรวมทั้งหมดเนี่ยมันก็จะจีดละมันก็จะทําให้กิเลสเกิดเอาเราก็ทําความเข้าใจในลักษณะที่แยกเป็นส่วนๆพอทําความเข้าใจในลักษณะที่แยกเป็นส่วนๆเออกิเลสไม่เกิดมองมุมนี้ก็ได้นีนอันนี้ก็ให้สํารวมระวังสังวรในลักษณะนี้ในทางตรงกันข้ามก็เหมือนกันเวลาที่ถ้าเห็นสิ่งใดที่มันแหมหน้าสวยงาม หรือว่าถ้าเราเห็นคนสวยหรือคนหล่อหน้าตาดีคนหนึ่งแต่คนนี้หน้าตาดีดูโดยรวมแล้วดีแต่ถ้าแยกดูเฉพาะหูแหมมันไม่ดีเท่าไหร่แยกดูเฉพาะปากืมก็ไม่ดีเท่าไหร่แต่เราก็แยกแยะแบบนี้เนี่ยมันก็จะช่วยละอกุจลธรรมได้ในทางตรงกันข้ามแต่คนที่หน้าตาดีแหมดีเฉพาะหูปากก็สวยจมูกก็สวยแต่ว่าดูโดยรวมแล้วเออกับแบบแปลกๆแต่ไม่ดี เราก็พิจารณาในลักษณะที่จะไม่ให้อคุสุลธรรมนั้นมันเกิดขึ้นแต่ถ้าเป็นกรณีที่ไม่ว่าพิจารณาทางไหนเนี่ยมันก็จะเกิดความลุ่มหลงได้เช่นบางทีโทรศัพท์มือถือบางรุ่นบางยี่ห้อเราก็ออกมาใหม่นีนแหมดูโดยรวมภายนอกมันก็ดีตรงนั้นดีตรงนี้แต่ดูแยกเป็นส่วนๆแต่มันก็ดีตรงนั้นดีตรงนี้ไม่เห็นจะ้อดีหมดเลยแสดงว่าอันนี้ไม่สามารถที่จะละได้ด้วยการสํารวมเราก็ต้องใช้วิธีอื่นแต่วิธีอื่นมีอะไรบ้างข้อทีอ่2 และก็คือวิธีการละด้วยการเสพนะซึ่งบางทีบางอย่างเราจำเป็นต้องเสพนื่เนพะราะว่าเราอยู่ในโลกสมัยปัจจุบันเนี่ยนะถ้าเป็นคารวาสบางทีก็ต้องไปงานเลี้ยงนะก็ต้องแต่งตัวสวยๆบ้างเอ๊แต่งตัวสวยๆเราจะหลีกเลี่ยงตรงนี้เหมือนก็ไม่ได้เอ๊เราจะทํำยังไงนะเราก็ใช้วิธีในการเสพไดนะ้ในการเสพก็พูดถึงเรื่องของปัจจัย4ีนะ่ได้แก่เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห وم, นะ่มที่อยู่อาศัยอาหารที่รับประทาน ก็ยารักษาโรคแต่ น, นี่คือรวมถึงทั้งเรื่องของที่จะทําให้กิเลสคือราคาโทสะโมหะมันเกิดขึ้นหมดนะทังวังเพราะว่าบางทีเราเสพของที่เราแบบไม่น่าพอใจอะ่ะอย่างเช่นพระไปบิณทบาทมาหูมีแต่อาหารที่แบบไม่ชอบหรือว่ากินไม่ได้อ้าเราก็กินเพื่อที่จะดับเวทนาเก่านะไม่ทําให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นการพิจารณาอย่างนี้ก็ช่วยได้แ ต, ต้องเสพต้องเสพของที่ไม่น่าพอใจก็เสพได้เสพของที่น่าพอใจ แล้วก็เสพได้ลักษณะของเสื้อผ้าเครื่องหนุ่หผมก็พิจารณาในลักษณะที่จะเป็นการบรรเทาความร้อนความหนาวป้องกันเหลือบยุงลมแดดในการที่จะปกปิดอวัยวะที่จะทําให้เกิดความละอายนี่คือลักษณะของเสื้อผ้าเครื่องหนุ่มผมแต่เป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็เพิ่มในการที่จะรักษาอันตรายที่จะเกิดจากฤดูต่างๆและป้องกันฝนป้องกันแดดรวมถึงการที่จะใช้อยู่ริรเรนได้แล้เราพิจารณาอย่างนี้ ไม่ว่าเราจะไปอยู่เสนาสนะที่มันเลิศหรู้อลังการหรือว่าอยู่เสนาสนะที่มันจะปู่ปู่ป่ป ะ, ปะนะสวยงามไม่สวยดามเราก็จะอยู่ได้โดยที่ไม่มีกิเลสเพิ่มแตนะ่ถ้าพิจารณาอย่างนี้นี่คือการด้วยการเสพ บ, นะบางอย่างมันจําเป็นต้องเสพจําเป็นต้องอยู่ในลักษณะ ท, ที่3ในวิธีการละกิเลสในข้อที่3ก็คือการละได้ด้วยการอดกลั้นนะการอดกลั้นเช่นบางทีเนี่ยเราจะต้องอยู่ในสถานที่แบบนั้น ใช่บางทีเราต้องอยู่ในสถานที่หรือว่าเจอกับผู้คนแบบที่เราจะไม่น่าพอใจแต่ถ้าไม่น่าพอใจแล้วเราอดกลั้นแต่ก็คือว่าเป็นผู้ที่อดทนนอดทนต่อความหนาวความร้อนความหิวความกระหายอดทนต่อสัมผัสจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคานทั้งหลายนอดทนต่อว่าจะอันเป็นถ้อยคํญญาบำญยาบคายร้ายกาจอดทนต่อทุกขเบทนาที่เกิดขึ้นทางกายเนีมันเจ็บปวดมากก็อดทนเอาไว้และซึ่งอดทนนี้ไม่ใช่ว่า เราไปทนอยู่นะตะมุฟังนั่นคือมันไม่เหมือนกันอดทนเนี่ยเป็นลนักษณะที่ว่ า, าถ้าเราจําเป็นต้องอยู่เราก็ต้องอดทนให้ได้เราก็ต้องอยู่เราก็อยู่ได้อยู่ได้ที่นี้ก็อาศัยความอดทนแต่นี้อดทนถ้าอดทนไม่เป็นมันก็จะกลายเป็นการเก็บกดไปนะหรือว่าถ้าเราเสพเสพไม่เป็นมันก็จะกลายเป็นการพอกปูนกิเลสเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเสพเนี่ยในการละกิเลสในข้อที่สองล ะ, ละกิเลสด้วยการเสพเนี่ยส่วนใหญ่สําหรับตัวข้าพเจ้าเอง เราก็จะได้ผลสําหรับเวลาที่เราได้อะไรที่มันดีถ้าเราจําเป็นจะต้องเสพอะไรที่มันจะเป็นผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งความพอใจความกํำหนัดความเพลิดเพลินนะตรงนี้เป็นกิเลสเอาเราก็พิจารณาแล้วจึงเสพพิจารณาแล้วจึงใช้นี่คือในข้อที่2ในการละกิเลสด้วยการเสพแต่ถ้าเราใช้อะไรหรืออยู่ในที่ไหนที่มันจะเป็นผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งความไม่พอใจนะเช่นที่ที่มันร้อนหรืออาหารที่มันไม่อร่อยหรือว่าสิ่งอะไรที่มันจะแบบไม่พอใจไม่น่ายินดี แต่จำเป็นต้องทํำล่ะจำเป็นต้องทําจำเป็นต้องอยู่จำเป็นต้องใช้มีเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นเราก็อดทนตรงนี้หรือแม้แต่โรคภัยไข้เจ็บบางอย่างในมฟังหมอให้ยารักษาใดๆมาแล้วมันก็ยังเจ็บอยู่เอาเราก็ต้องอดทนใ้ได้อดทนไม่ให้กิเลสนี่ยมันเกิดขึ้นมาแต่มันแ ต, ตกต่างกันกับการเก็บกดเพราะว่าการเก็บกดนั้นคือเก็บกิเลสเอาไว้กิเลสเกิดขึ้นมาก็เก็บเอาไว้กิเลสเกิดขึ้นมาก็เก็บเอาไว้อันนี้ไม่ได้เรียกการอดทนนําบฟังอันนี้เรียกการเก็บกดแต่ว่าการอดทนนั้น หมายถึงว่าอดทนนั้นในการที่จะอยู่ในที่ที่ไม่น่าพอใจเหล่านั้นโดยที่ไม่ให้กิเลสมันเกิดขึ้นมาแตการอดทนไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นมากับการเก็บกดไว้ไม่แสดงออกนั้นมันต่างกันแต่ไม่ต่างกันตรงที่ว่ากิเลสเกิดกับกิเลสไม่เกิดแต่การอดทนนั้นกิเลสไม่เกิดแต่การเก็บกดนั้นเกิดอยู่แต่ซ่อนเอาไวา้ไม่ให้คนอื่นเขาเห็นไม่แสดงออกมาไม่เหมือนกันนต่นเพราะว่ากิเลสมันเกิดขึ้นในใจมันจะแสดงออกมาทางวาจาแสดงออกมาเป็นความขุ่นเคือง แสดงออกมาเป็นทางกายแต่ถ้าอดทนถูกในกิเลสไม่เกิดเลยแต่หวัาางกิเลสจะละไปได้เพราะฉะนั้นจึงต้องมีข้อถัดมาที่เป็นข้อที่4คือการละ ก, กิเลสด้วยการบันเทาการบันเทาในที่นี้ก็คือพระพุทธเจ้าตรัสถึงบาปอากุศลธรรมทั้งหลายเช่นความคิดในทางการความคิดในทางพยาบาทความคิดในทางเบียดเบียนถ้ามันเกิดขึ้นเราต้องบันเทามันออกเราต้องละมันออกเราต้องทําให้มันสิ้นสุดลงถ้าเราอยู่ในสถานที่ที่เราไม่น่าพอใจแล้ว เกิดกิเลสขึ้นแสดงว่านี่จะเริ่มเป็นการเก็บกดล้เราจะไม่เก็บกดได้เราก็ลักกิเลสพวกนี้ออก้โดยการทำยังไงโดยการที่เอาจิตของเราเนี่ยอย่าไปคล้องไว้กับมันเพราะว่าถ้าจิตของเราไปจ่ออยู่กับเรื่องใดๆมากะจิตก็จะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นสิ่งนั้นก็จะเข้ามากลุ่มรุมตั้งอยู่ในจิตได้เพราะฉะนั้นเราก็อย่าเอาจิตของเราไปไว้ที่ที่มันจะเป็นอกุศลพอมันมีสิ่งที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นมีความคิดในทางกางภพยาบาทเบีดเบียนเกิดขึ้นเราก็ปล่อยมันไปนไปตามทางของมัน เราก็มีสติสัมปชัญญะตั้งอยู่ของเราตรงนี้มันก็ไปทางหนึ่งของมันมันก็เลาะออกไปลุดออกไปนี่คือการบันเทาเพราะฉะนั้นเราจะไม่เก็บกดเลยเราจะไม่เก็บกดเลยถึงแม้จะอยู่ในเสนาสนะที่ไม่น่าพอใจอยู่ในที่ที่มันร้อนเกินไปที่เป็นหนาวเกินไปถ้าเราทําถูกนะด้วยการที่อดทนอย่างถูกต้องอดทนในการที่จะไม่ให้สิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเกิดขึ้นอดทนอย่างถูกต้องในการที่จะละสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมแต่ถ้ามันเลยจุดแล้วเนี่ยมันทนไม่ไหวแล้ว จะมีสิ่งที่เป็นอคติสรธรรมเกิดขึ้นเราก็ล้ามันออกด้วยวิธีข้อที่4สนะี่คือการบรรเทาซะล้าสิ่งที่เป็นความคิดต่งางๆกามพยาบาทเบียดเบียนแนะซึ่งตรงนี้มันก็เกี่ยวข้องกับการสรํารวมอินทรีย์ด้วยทัาา้งระวังถ้าเราสรํารวมอินทรีย์ไม่ดนะีจุดที่ถ้ามีอะไรมากระทบแล้วกิเลสมันจะเกิดได้มันก็ตื่นหน่อยแต่ถ้าเราสรํารวมอินทรีย์อย่างดนะีจุดที่มันมากระทบแล้วจะทําให้กิเลสเกิดได้มันก็ลึกลงไปหน่อยมันก็ยากที่กว่าจะถึงแต่ต่อให้ถึงแล้วถ้ามีการสํารวมอินทรีย์อย่างดี มันก็จะสามารถที่จะละกิเลสที่เกิดขึ้นได้ด้วยการสลักทิ้งการไม่ถือเอาได้นี่คือข้อที่4ส่วนข้อที่5นั้นก็คือการละกิเลสด้วยการที่หลีกเลี่ยงงดเว้นเีอย่าไปอยู่ตรงที่นั้นแต่ถ้าเราจะไปอยู่ในที่ที่ไหนแล้วแล้มันจะทําให้เกิดกิเลสเราก็อย่าไปอยู่ในที่นั้นงดเว้นไปเลยเช่นบางทีถ้าสําหรับพระภิกษุอย่างเงี้ยไปอยู่ในสถานที่ที่เป็นอกโกจรเช่นซ่องโสพินีหรือว่าบ้านหญิงไม้ สำนักนางภิกษุณีเดี๋ยวพวกนี้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงในการที่จะไปหรือว่าถ้าเราไปอยู่ในสถานที่ที่มันอคูจรเช่นบ่อนการพนันที่ที่มันมีสัตว์ดุร้ายหรือว่าการคบกับคนชั่วเดี๋ยวพวกนี้ไม่ควรจะไปยุ่งเกี่ยวด้วยเดี๋ยวควรจะงดไว้หน อ, อกเพราะว่าถ้าเราไปยุ่งเกี่ยวด้วยเกี่ยวข้องกับมันแล้วในกิเลสบางทีมันเกิดขึ้นทันทีทันใดเลยเดี๋ยวเราป้องกันได้ไม่ทัน แตคุณสมรวมอินซียังไงพยายามที่จะอดทนหยุดกั้นยังไงพยายามที่จะล้ายยังไงมันมันเกินลิมิตตรงนั้นไปแล้วนะมันเกินขอบเขตตรงนั้นเราก็ละได้ด้วยการกดเวน้นนะคืออย่าไปตรงนั้นนี่คือข้อที่5นะ้าเนบทเพียนชนะที่พระรูชาอธิบายไว้ตรงนี้แล้วนะก็มีการยกตัวอย่างโอปมาโอปไม้ด้วยนะในที่นี้อธิบายไว้ว่าย่อยมกดเว้นจากช้างดุม้าดนะุสัตว์ดุร้ายต่างๆ งดเว้นจากหลักต่อขวกัก้ําห้วยเหวบ่อของโสโครกลุมอุจจาระงดเว้นที่ที่ไม่ควรนั่งไม่ควรไปงดเว้นการครบกับเพื่อนชั่วคนไม่ดีแต่ที่ที่ไม่ควรนั่งไม่ควรไปก็อย่างที่ว่าบ่อนการพ น, นันโรงเสพสุราหรือว่าซ่องโสเปณีเป็นต้นแล่ที่ที่มันจะมีสัตว์ดุร้ายแต่ที่ที่มันจะเป็นของเมนเมของโสโครกที่เดี๋ยวจะมีสัตว์ดุร้ายแต่เช่นบางทีในป่าบางอย่างเนี่ย ดูร้ายมันจะทําอันตรายถึงชีวิตได้บหมนที่เราก็ควรจะต้องหลีกเลี่ยงแตนะ่ไม่งั้นจิตอาจจะแตกได้ก็เคยเตือนพระภิกษุบางรูปนะว่าถ้าไปอยู่ป่าแล้วเกิดความกลัวขึ้นนะก็หลีกเลี่ยงตรงนั้นดีกว่านะนี่คือข้อที่5ตัวดยในข้อที่6หนกะก็คือการที่ลกนะลกิเลสเหละการเครื่องเศร้าสมองของจิตเหล่านี้ด้วยการภาวนาการภาวนาในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงว่าเราไปอ้อนวอนขอร้องนะหรือว่าบ่นบานสารกล่าวไม่ใช่ ภาวนาในที่นี้หมายถึงการพัฒนานะืภาวนาเป็นภาษาบาลีนี่ยแปลว่าการพัฒนาพัฒนารายพัฒนาจิตใจของเรานี่แหละพัฒนาจิตใจของเราให้มีอะไรบ้างนี่ยก็คือมีสติมีสมาธิมีความสงบระ ง, งับแต่นะพูดง่ายๆคือโพชฌงนั่นเองเนะี่โพชฌงคือองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมตั้งแต่สติสัมโพชฌงเนี่ยพัฒนาให้เกิดขึ้นในจิตของเราพอมีสติสัมโพชฌงแล้วเนะีก็จะทําการไคร์ครวญซึ่งธรรมอยู่ด้วยปัญญานั่ยก็เรียกว่า ธรรมวิจยาสัมโพชงเพราอมีการใกล้โกรูนธรรมอยู่ด้วยปัญญาแล้วใอ้สิ่งที่เป็นอกุศลธรมรมก็ค่อยๆลดลงไปสิ่งที่เป็นกุศลธรรมก็ค่อยๆเกิดขึ้นมาอันนี้ก็เรียกว่าวิริยาสัมโพชงแล้วพอสิ่งที่เป็นอก well ุศลธรมรมลดลงไปกุศลธรรมเกิดขึ้นมาอย่างที่ว่าแล้วเราก็จะทําให้มีความอิ่มเอิบใจความสบายใจนั่นคือเป็นปีติสัมโพชงเพราะมีปีติสัมโพชงเกิดขึ้นเป็นความอิ่มเอิบใจความสบายใจที่อยู่ในใจ อันเป็นผลของอกุศลธรรมที่มันลดลงไปเป็นผลของกุศลธรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยเวลามีอะไรมากระทบใจของเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นใจที่สงบนิ่งเฉยอยู่ได้โดยมากแตใจที่สงบนิ่งเฉยนั้นเป็นความปัสสิแต่ปัจสถานะแปลว่าความสงบระงับก็เรียกว่าเป็นปัสสถานะสัมโพชงจิต ใ, ใจที่มีความสงบอย่างนี้ได้ก็จะเป็นผู้มีความสุขอยู่ในภายในความสุขในภายในนี่แหละเป็นตัวบ่งบอกระดับของความที่จิตมีอารมณ์อันเดียว จิตมีอารมณ์เดียวอันนี้ก็คือสมาธิสัมโพชฌงค์แต่เวลาคนที่มีจิตเป็นอรมณเดียวแล้วในใจก็จดจ่ออยู่ตรงนี้เวลามีอะไรมากระทบเราก็นิ่งเฉยอยู่ได้ความนิ่งเฉยที่เกิดขึ้นตรงนี้เรียวเป็นอุเบกาสัมโพชฌงค์โดยในแต่ละอย่างของโพชฌงค์เจ็ดนั้นนไม่ว่าจะอยู่ในเรื่องของสติมีความสง บ, บระงับมีความอิ่มเมอิบใจความสบายใจอะไรก็แล้วแต่ในเจ็ดอย่างนี้ เราก็ให้พิจารณาเห็นความเกิดขึ้นความดับไปของพรรษาที่มันมากระทบแนะไม่ว่าจะเป็นพรรษาท้งตาท้งหูทั้งใดๆก็แล้วแต่แตนะ่มีจิตใจที่เป็นโพชฌงอยู่ในใจอาศัยจิตใจที่มีธรรมะตรงนี้เห็นความจางกายเห็นความดับไปของพรรษาต่างๆที่มากระทบนะักิเลศก็จะลาไปได้จะทําให้มีความปล่อยวางไปเรื่อยๆนะําปล่อยวางไปเป็นลําดับขั้นลําดับขั้นก็ทําให้แจ้งสึ่งนิพพานได้แตนะ่ในการละกิเลสทั้งหมด6อย่างนี้ องค์ประกอบพวกอย่างเนี้บางทีก็ต้องใช้คู่กันมาด้วยกันในยกตัวอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่ในเรื่องของการอดทนเนี่ยแต่ถ้าเราจําเป็นต้องอยู่ในที่ที่เราไม่น่าพอใจในเราอดทนถูกวิธีโดยการที่อดทนไม่ให้กิเลสมันเกิดขึ้นถ้ากิเลสมันจะเกิดขึ้นเป็นความเร่าร้อนเป็นความไม่พอใจ เ, อเราอย่าไปสนใจตรงนั้ น, นาการที่เราไม่ไปสนใจตรงนั้นมันก็ล้าออกไปบรรเทาออกไปอันนี้ก็คือการละกิเลสด้วยการบรรเทาอันนี้ก็มีส่วนเกี่ยวข้องอันนี้ก็ต้องใช้ด้วยกัน การสมรูมอินทรีย์กับการที่พิจารณาแล้วจึงเสพแต่บางทีก็ต้องใช้ด้วยกันเพราะว่าบางทีจบางอย่างจําเป็นต้องใช้บางจำเป็นต้องเสภแตะพิจารณาแล้วแต่ไม่ว่าจะยังไงมันก็ดีหมดไม่ว่ายังไงมันก็แย่หมดคือถ้าพิจารณาไม่ว่าจะเป็นโดยแยกเป็นส่วนๆหรือพิจารณาโดยเป็นภาพรวมทั้งหมดแต่มันยังไม่สามารถหลุดออกลอกออกได้เราก็ใช้เทคนิคอื่นใช้เทคนิคในการที่จะอดทนบ้างใช้เทคนิคในการที่จะงดเว้นบ้างถ้าเราพิจารณาด้วยการสมรูมอินทรีย์แล้วว่า ที่นี้ไม่ควรไปแน่เลยนะถ้าไปมันจะจิตแตกแน่แตนะ่เราก็อย่าไปเราก็อย่าไปโกกับคนนั้นเราก็อย่าไปในที่นั้นอันนี้ก็จะเป็นการระเว้นกิเลสด้วยการงดเว้นแตมันต้องใช้คู่กันท่านผฟังมันต้องใช้ไปด้วยกันแตนะ่ซึ่งการใช้ไปด้วยการการปฏิบัติการประพฤติไปด้วยกันตรงเนี้มันอาศัยการที่เราจะมีความชํำนาญช่ำชองในเรื่องของจิตแตนะ่ซึ่งในข้อที่6ที่พูดถึงการพัฒนาตรงนี้แหละจะเป็นการที่เราจะเพิ่มสติของเรา ในการที่จะให้มีความชํานาญความช่อมชองนะพอเรามีสติมากขึ้นเนี่ยเดี๋ยวมันก็อดกลั้นได้เดี๋ยวมันก็งดเว้นได้เดี๋ยวมันก็เสพได้เดี๋ยวมันก็มีการสังวรได้เดี๋ยวมันก็มีการบรรเทาได้ก็มีการละได้นะซึ่งไอ้กระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติแน่นอนบางทีเราอย่างอาจจะยังไม่มีความชํานาญในบางทีอดทนมันก็กลายเป็นการเก็บกดอ่านั่นะ แ, บบแสดงว่าสติยังไม่มีกําลังพ อ, เ, อเราไปพัฒนาให้สติมีกําลังมากขึ้น ไอ้ที่เก็บกฎไว้มันก็ลอกออกไปหายออกไปได้โดยไม่ระเบิดออกมาไอ้ที่เราไม่เคยสังวรระวังเลยนั่นมันก็มีการสํารวมระวังมากขึ้นไอ้ที่ที่เราพิจารณาแล้วบางทีไม่รู้ว่า น, นี้ควรงดหรือควรเสพนั่นเราก็รู้ว่าอ๋ออันนี้ต้องเสพแบบนี้อันนี้ต้องงดแบบนี้นั่นมันก็จะมีความแจ่มแจ้งในกระบวนการต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาแล้เวลาที่ท่านผู้ฟังฝึกปฏิบัติไปเนี่ยแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันด้วยซ้า เพราะว่าภาษาอันเป็นที่ตั้งแห่งราคะโทสะโมหะของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเวลาที่มีภาษาใดๆมากระทบสําหรับบางคนอาจจะต้องใช้วิธีในการเสพเสพอย่างดีเสพอย่างถูกต้องอกิเลสละได้สําหรับบางคนต้องอดกั้นบางคนต้องงดเว้นนั่นก็จะต้องเป็นอย่างนั้นส่วนเรื่องของการสังวรเรื่องของการภาวนาเรื่องของการละอันนี้คิดว่าไปกันได้ครับทุกๆคนของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกัน ซึ่งบางพัรษะที่มากระทบบางคนก็ต้องใช้เรื่องการเสพควบคู่ไปกับเรื่องของการงดเว้นสําหรับบางคนก็ใช้การสังวรกับการอดกลัน้นแะต่แต่ทั้งหมด6อย่างนั้นเนะี่ยต้องไปด้วยกันนะอันไหนใช้งานได้ทําเลยแล้วในแต่ละช่วงเวลาของชีวิตนะเช่นบางทีอปีนี้ฉันฝึกปฏิบัติไปพัรนะษะแบบนี้ท่นใช้วิธีนี้ละได้้อพอปีถัดมา2ปี5ปีถัดไปมันเปลี่ยนอยีกแล้วฮนะแฮ่มันใช้วิธีอีกแบบหนึง่ง แต่มันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันตัวข้าพเจ้าเองนต่นเพราะว่าใ้เรื่องของการภาวนาที่มันมีมากขึ้นเนี่ยเราพัฒนามาถูกทางแตนะจิตมีกําลังมากขึ้นบว้นทีก็การสังวรและการเสพก็สามารถละกิเลสได้แต่ถ้าสําหรับบางคนนะการภาวนาอาจจะยังไม่เต็มที่เราก็ต้องงดเบนไปก่อนอดกลั้นไปก่อนถ้าเสพแล้วถ้าเสพแล้วบางทีจิตมันมีความฟุ้งเฟอ้อเห่อเหินขึ้นมาเราก็ใช้วิธีอื่นนตะ่อันไหนใช้งานได้อันไหนใช้แล้วกิเลสมันจะลดลงไป นะั่นให้ฝึกฝนเปลี่ยนวิธีการอยู่ตลอดเวลานะเราต้องรู้จักบาราจิตของตัวเองนะบูฟังแต่ถ้าเราสังเกตดูแล้วว่าไออันนี้มันไม่เวิร์กนะ เ, เราก็เปลี่ยนใช้อีกอันหนึ่งเงินต้องงดเว้นอันนี้ทำไมเป็นอย่างนี้เอเราก็ใช้อีกวิธีหนึ่งซึ่งวิธีมีอยู่ต้อง6วิธีด้วยกันนะทบทวนที่อีกครั้งหนึ่งนะบูฟังอันทะีหน่หนึ่งในงการที่ชะลากกิเลสเครื่องสมองจิต ด, ด้วยการสังวรสังวรในที่นี้ก็คือสำรวมตาหูจ ม, มูกลิ้นกายใจแลนะทั้งโดยแยกเป็นส่วนๆและโดยเห็นภาพรวม เนื้คือการพิจารณาเรื่องของปัจจัย4สี่ว่าจะกินอะไรอยู่ในเสนาสนะแบบไหนนุ่งหม่มเครื่องนุ่งหม่มอย่างไรในการที่จะไม่ให้เวทนาเกิดขึ้นสิ่งที่จําเป็นต้องเสพก็ใช้วิธีที่2นี้ข้อที่3คือการอดกลัน้นเราจะละ ก, กิเลสเครื่องสมองได้ด้วยการอดกลัน้นคืออดทนต่อภาษาที่ไม่น่าพอใจไม่ให้สิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเกิดขึ้นในใจแต่เนระาอยู่ในสิ่งที่ไม่น่าพอใจก็ได้เราวางให้ดีอย่าให้อกุศลธรรมเกิดขึ้นนั่นคืออดทนตรงนั้นนั่นคือข้อที่3ม ส่วนข้อที่สี่ด้วยการที่ละออกแตนะ่ด้วยการละอะไรออกก็ละสิ่งที่เป็นความคิดในทางการพยาบาทเบียดเบียนนั้นออกไปละสิ่งที่เป็นความคิดในทางการพยาบาทเบียดเบียนออกไปคือถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วนะอย่ากเก็บเอาไว้แต่ละมันออกไปได้เราก็เอาใจของเราไปในเรื่องอื่นเะดี๋ยวไปใส่ใจในเรื่องที่เป็นอกุศลตรงนั้นแล้วในข้อที่หนะ้าคือการที่ละกิเลสด้วยการที่งดเวน้นะอย่าไปในสถานที่ที่ไม่ควรไปอย่าคบกับคนที่ไม่ควครคบ ในที่ที่มันจะมีสัตว์ดุร้ายหรือที่ที่มันจะเป็นของไม่ดีถ้าเราไปแล้วกิเลสจะเกิดขึ้นเราก็อย่าไปในที่นั้นแล้วข้อที่6กแล้ข้อสุดท้ายก็คือการละ ก, กิเลสเครื่องสมองด้วยการภาวนาการภาวนานี้หมายถึงการที่ทําโพชฌงค์ให้เกิดขึ้นพัฒนาจิตให้มีโพชฌงค์เกิดขึ้นอย่างนี้ในทั้ง6ข้อนี้ใช้ด้วยกันได้ทั้งหมดเลยแต่จะสามารถสอดคล้องทําตรงไหนแล้วมันได้ผลในะทําเลยตั้งบังเพราะว่ากิเลสที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้จิตใจของเรามีความเศร้าหมอง เราฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆเราใคร่ครวญพิจารณาตามไปอ่ะอันนี้ก็เป็นการพัฒนาจิตด้วยการภาวนาณเราฟังตรงไหนเราสงสัยเรามีความที่แบบไม่พอใจอา้าความสงสัยความเคลือบแคลงความไม่พอใจตรงนี้เป็นอกุศลเราก็บรนเทามันเสียแล้วก็ละมันเสียเรื่องใดที่มันจะเป็นประเด็นในการศึกษาพิจารณาเอาเราก็จดไว้แต่อย่าให้มีความเคลือบแคลงความไม่พอใจเกิดขึ้นหรือว่าเราจําเป็นต้องไปในที่ใดที่หนึ่งทํางานอย่างใดอย่างหนึ่ง เ, เราก็ให้มีความอดทนให้ดีเราก็พิจารณาก่อนในการที่จะใช้ในการที่จะเสพทําตรงไหนได้ทําเลยพระพุทาให้ไว้ถึง6กระบวนการ6วิธีการด้วยกันเนียแน่นอนว่าตรงนี้เป็นเครื่องมือเป็นเหมือนกับอาวุธที่เราจะสามารถใช้ในการที่จะประหารประหานกิเลสได้ไม่อันใดก็อันหนึ่งละ่ะไม่ใช้ซ่อมก็ด้วยเสียมไม่เสียมก็จอบเนะ่ัตว์ระยะใกล้ซัดระยะไก ล, ะะ ใ, กลใช้มีดใช้ดาบในการที่จะปรารประหารกําจัดกิเลส ต, ตรงนี้ให้ออกไป คนที่ปฏิบัติได้ทั้ง6กระบวนการนี้ได้บหวังแม่เป็นคนที่เรียกว่าปฏิบัติดีแน่นอนปฏิบัติชอบแน่นอนปฏิบัติตรงด้วยปฏิบัติควรที่จะรู้ทําเป็นเครื่องออกจากทุกข์ด้วยและแน่นอนคนที่ปฏิบัติแบบนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่สามารถใช้ธรรมะได้อย่างถูกต้องเป็นผู้ที่เรียกว่าประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมเนรู้ว่าธรรมะตรงนี้หมดนี้แต่สามารถที่จะใช้ในการลอกกิเลสละกิเลสของเราได้นใครควรดูธรรมฟังใน6กระบวนการนี้ จะมีประโยชน์มากทีเดียวและท่านด่าฟังอยากมีคํำถามก็เสนอแนะหรือสิ่งใดๆที่จะติดต่อสื่อสารกับทางรายการจะส่งมาได้เป็นจดหมาย ห, หรือปริศนียบัตรที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตําบลดอนหายโศกอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธา น, นีหรือว่าส่งเป็นข้อความาไปที่เว็บไซต์เพียวธรรมะ .com p u R e d h a m m c o m กับเจ้าพระมหาภัยบุญอภิปุนโนจตุรพันธ์